ติวิทะสลากะคาหะว่าด้วยการจับสลากสามวิธีสมัยนั้นอธิกรณ์เกิดแล้วอย่างนี้อุบัติแล้วอย่างนี้ในกรุงสาวัตถีภิกษุเหล่านั้นไม่พอใจด้วยการระงับอธิกรณ์ของสง์ในกรุงสาวัตถีได้ทราบข่าวว่าในอาวาสโนนมีพระเถระอยู่หลายรูป เป็นพระหูสูตรชำนาญปริยัตทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาเป็นบัณฑิตฉเฉลียวฉลาดมีปัญญามีความละอายมีความระมัดระวังใฝ่าการศึกษาถ้าพระเถระเหล่านั้นพึงระงับอธิกรณ์นี้โดยธรรมโดยวินัยและโดยสัตวศาสตร์อย่างนี้อธิกรณ์นี้พึงระงับด้วยดีจึงไปสู่อาวาสนั้น แล้วเรียนกับพระเถระพวกนั้นว่าท่านผู้เจริญอธิกรณ์นี้เกิดแล้วอย่างนี้อุบัติแล้วอย่างนี้ขอโอกาสขอรับขอพระเถระทั้งหลายจงระงับอธิกรณ์นี้โดยธรรมโดยวินัยและโดยสัตวุศาสตร์ตามวิถีทางที่อธิกรณ์นี้พึงระงับด้วยดีพระเถระพวกนั้นช่วยระงับอธิกรณ์นั้นแล้ว เหมือนอย่างที่สงในกรุงสาวัตถีระงับแล้วตามวิธีที่ระงับด้วยดีแล้วฉะนั้นครั้งนั้นภิกษุผู้ไม่ยินดีไม่พอใจด้วยการระงับอธิกรณ์ของสงในกรุงสาวัตถีนั้นไม่พอใจด้วยการระงับอธิกรณ์ของพระเถระมากรูปได้ทราบข่าวว่าในอาวาโน้นมีพระเถระอยู่สามรูปละ มีพระเถระอยู่สองรูปละมีพระเถระอยู่รูปเดียวเป็นพระหูสูตรชนานาญปริยัตทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติกาเป็นบัณฑิตฉเฉลียวฉะลาดมีปัญญามีความละอายมีความระมัดระวังใฝ่การศึกษาถ้าพระเถระนั้นพึงระงับอธิกรณ์นี้โดยธรรมโดยวินยัยและโดยสัตวุสาส อย่างนี้อธิกรณ์นี้พึงระงับด้วยดีจึงไปสู่อาวาสนั้นแล้วกราบเรียนพระเถระนั้นว่าท่านขอรับอธิกรณ์นี้เกิดแล้วอย่างนี้อุบัติแล้วอย่างนี้ขอโอกาสขอรับขอพระเถระจงระงับอธิกรณ์นี้โดยธรรมโดยวินัยและโดยสัตวศาสตร์ตามวิถีทางที่อธิกรณ์นี้จะพึงระงับด้วยดี พระเถระนั้นช่วยระงับอธิกรณ์นั้นแล้วเหมือนอย่างที่สงในกรุงสาวัตถีระงับแล้วเหมือนอย่างที่พระเถระมากรูประงับแล้วเหมือนอย่างที่พระเถระสามรูประงับแล้วและเหมือนอย่างที่พระเถระสองรูประงับแล้วตามวิธีที่ระงับด้วยดีแล้วฉะนั้นครั้งนั้นพวกภิกษุเหล่านั้นผู้ที่ไม่พอใจด้วยการระงับอธิกรณ์ของสงในกรุงสาวัตถี ไม่พอใจด้วยการระงับอธิกรณ์ของพระเถระมากรูปไม่พอใจด้วยการระงับอธิกรณ์ของพระเถระสามรูปไม่พอใจด้วยการระงับอธิกรณ์ของพระเถระสองรูปไม่พอใจด้วยการระงับอธิกรณ์ของพระเถระรูปเดียวแล้วกราบทูลเรื่องนั้นให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย อธิกรที่พิจารณาแล้วนั้นเป็นอันสงบระงับระงับดีแล้วภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตวิธีจับสลากสามอย่างคือปกปิดหนึ่งกระซิบบอกหนึ่งเปิดเผยหนึ่งตามความยินยอมของพิกษุพวกนั้นภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งวิธีจับสลากปกปิดเป็นฉหน ภิกษุให้จับสลากนั้นพึงทำสลากให้มีสีและไม่มีสีแล้วเข้าไปหาภิกษุทีละรูปทีละรูปแล้วแนะนำอย่างนี้ว่านี้สลากของผู้กล่าวอย่างนี้นี้สลากของผู้กล่าวอย่างนี้ท่านจงจับสลากที่ชอบใจเมื่อภิกษุนั้นจับแล้วพึงแนะนำว่า ท่านอย่าแสดงแก่ใครๆถ้ารู้ว่าอธรรมวาทีมากกว่าพึงบอกว่าสลากจับไม่ดีแล้วให้จับใหม่ถ้ารู้ว่าธรรมวาทีมากกว่าพึงประกาศว่าสลากจับดีแล้วภิกษุทั้งหลายวิธีจับสลากปกปิดเป็นอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายอนหนึ่ง วิธีจับสลากกระซิบบอกเป็นไฉไหนภิกษุผู้ให้จับสลากนั้นพึงกระซิบบอกที่ใกล้หูของภิกษุแต่ละรูปแต่ละรูปว่านี้สลากของผู้กล่าวอย่างนี้นี้สลากของผู้กล่าวอย่างนี้ท่านจงจับสลากที่ชอบใจเมื่อภิกษุนั้นจับแล้วพึงแนะนำว่าท่านอย่าบอกแกใครใคร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 วิธีจับสลากเปิดเผยเป็นฉไนถ้าภิกษุรู้ว่าธรรมวาทีมากกว่าพึงให้จับสลากเปิดเผยอย่างแจ่มแจ้งวิธีจับสลากเปิดเผยเป็นอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายวิธีจับสลากสามอย่างนี้แหละ